และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระราชจะดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุภายาตราธางชลมาก่าในพระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศกเบื้องปลายวันที่12ทันวาคมศกนี้พระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศกพุทธษักราชมพันธ์562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติมศูนย์สองห้าเก้าสองหนึ่งเก้าสามสามศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบรุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 เจอทีวีขนัดใหญ่และวายไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร0923189887หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation Knowledge Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบ่างซื้อจังชั้นวิทยุราชมงคุณทัญญาปุรี Airframe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 เลสคอต on เรดิโอช่วงกาชาตินิวส์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงกาชาตินิวส์วันนี้นะคะเป็นข่าวกิจกรรมปรุงอาหารรักสมองซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเพื่อดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มเสริมทัศน์ตาแล้วก็สร้างความสุขโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมฝ่ายจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมนะคะมักจะมีปัญหาในการรับประทานอาหารนะคะซึ่งการคิดสร้างสารรค์เมนูอาหารให้ดูหน่ารับประทานแล้วก็มีสีสันก็จะช่วยให้ภาวะทางพัฒนาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมดีขึ้นค่ะผู้ดูแลผู้ป่วยจึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยนะคะในการช่วยรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยซึ่งหากผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้มีทักษะในการดูแลก็ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะซึ่งได้จัด ก, กิจกรรมปรุงอาหารรักสมองขึ้นค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ให้สาระความรู้แล้วก็สร้างความสุขในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แล้วก็ลงมือฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะอาจารย์ในายแพทย์ชาวิตรตันวีระชัยสกุลจิตแพทย์ผู้สูงอายุศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมฝ่ายจิตเวทชฉะสาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผู้รับผิดชอบโครงการก็ได้กล่าวว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนั้นถือเป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ และการที่ผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญจะช่วยลดความกังวลใจในการดูแลผู้ป่วยลงได้ด้วยค่ะศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมนะคะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะและได้จัด ก, กิจการรมปรุงอาหารรักสมองขึ้นโดยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจการรมและรับสมัครผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจการรมผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานที่ผ่านมานะคะได้จัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมภาวะทางพัฒนาการของผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมอายุรแพทย์สาขาพัฒนาการคลินิกและหนักพัฒนาการทั้งอย่างได้รับความร่วมมือจากตัวแทนสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยในการฝึกปฏิบัติความคิดสร้างสารรค์เมนูอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมด้วยค่ะ อาจารย์ในายแพทย์ชาวิตนะคะยังเกล่าวถึงเทคนิคและข้อควรระวังในการปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมด้วยนะคะว่าผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่ค่ะมักเกิดจากกลุ่มของผู้สูงอายุโดยสิ่งที่ต้องใส่ใจและก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะจึงเป็นเรื่องของเนื้อสัมผัสและก็ขนาดของอาหารค่ะที่สามารถเคี้ยวและก็กลืนได้ง่ายทั้งนี้นะคะภาวะสมองเสื่อมค่ะยังทำให้ผู้ป่วยอาจจับปฏิเสธอาหารได้ค่ะซึ่งการสร้างสารรค์เมนูอาหารให้ดูมีสีสันน่ารับประทาน จึงมีส่วนช่วยให้ภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมหลักๆอีก3กิจกรรมค่ะโดยได้ทำการปรุงอาหารรักสมองโยคะและดนตรีบำบัดซึ่งขุนผู้ฟังสนใจกิจกรรมต่างๆของศูนย์ก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะ ต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและวัดบาวรนิเวศวิหารขอเชิญประชาชนทั่วไปนะคะรวมทัพพระป่าสามัคคีค่ะเพื่อนำไรายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ายาสำหรับผ่าพิศสูจน์สมรเจนอาพาธและผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันศุกร์ที่20ธันหวาคมพุทธศักราช2562นี้ค่ะเวลา14นาฬิกาที่ชัน้น G นะคะอาคารพรป ร, รโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ สามารถบริจาคและร่วมทำบุญได้ที่ฝ่ายพิธีการตึกวาเชิยรา ย, ยานวงศ์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยโทรศัพท์หมายเลข022564382 022564505หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี 045-2-88000-6 ค่ะ พร้อมแจกใบนำฝากเงินแล้วก็รายละเอียดการบริจาคนะคะมาได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ศูนย์สองสองห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะเพื่อนำหลักฐานใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคแล้วก็นำส่งกลับเป็นหลักฐานให้แก่ผู้บริจาคทางไปรษณีย์ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงสนทนารอบรัวค่ะ รายการ Rescord on Radio สนับสนุนรายการโดยสำนักษารณิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาวุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรม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 สนทนารอบรัว้ววันนี้มีเรื่องราวของนวัตกรรมแท็บตรวจคัดกรองโรคไตเรือรังในระยะเริ่มตน้นณจุดดูแลผู้ป่วยมาฝากกันนะคะโรคไตเรือรังจัดเป็นอีกหนึ่งปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญของประเทศไทยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะเป็นภาวะที่มีการเสื่อมของไตเรือรังซึ่งหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะทำให้ไตยไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกตินะคะ และผู้ป่วยต้องเข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะอุบัติการโรคไตเรื้อรังในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอันดับที่สองของโลกค่ะดังนั้นนะคะหากสามารถตรวจวินิจฉัยได้นะคะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตก่อนดำเนินโรคค่ะเข้าสู่ระยะไตาวายสุดท้ายแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สําหรับการตรวจวิน่นชัยโรคไตในระยะเริ่มต้นแท็กก็จับระเมื่อนการทำงานของไตบร ça จากการปร pik zab โดย pierwsze voltages วัตรปร比較เองใครซิปห์ค unless they are in religion ในพ ρα วัที่ไตบร์ทำงานผิดปกติ ировать imprescindial исследования ย grandparents fullzent bili 탄两윤ก生活ปร justlden șiston by c 호 of listen 給 10% สิบคร ды ธีโปร Muhy Spirit n 次 min 1500 scriptures ซึ่งวิธีการตรวจวัดโปรตีนไมโครแอนบูมินในปัสสาวะนะคะจะอาศัยเครื่องตรวจวิเคอราะห์แบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำหรับโรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดค่ะรวมถึงผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลายซึ่งไม่สะดวกต่อการเดินทางไปรับบริการตรวจในโรงพยาบาลค่ะ รอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์นัชชัยศรีสวัสดิ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยอาจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ไตรรักษ์พิสิทธิกุลหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและรอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กิตินันโกลมณพิษนะคะสถาบันวิจยัยเทคโนโลยีชีวาภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมแถบตรวจคัดกรองโรค ไตเ ร, ระะเรือ произ- หรับใตายเรือดร節このศัก ре มือใตอย ההят เรือต้นหน้าจุดดูแลผู้ป่วยเพื่อตรวจวัดค่าทำงานของไตแบบกล้อยชิดผู้ ப หรือจากการตรวจโป collapsed xana państwo participated in implicloab Ost brand ที่มีความไวัยและความจำเพาะต้นทุนต่ำให้ผลล formulated to rest ๊อกび population associated with their religion ในง่ายต่อการจำจัดถิงซ้งด้วยโรงการศันย์หน้าสนุนทุนวิจัยจากสถาปั ในวัตกรรมแถบตรวจคัดกรองโรคไตเลือดล่างในระยะเริ่มต้นนะคะมีหลักการทำงานโดยไมโครแอนติบุมีนในปัสสาวะของผู้ป่วยจะจับกับแอนติบอดีที่ติดฉลากด้วยอนุภาคนาโนทองคำระดับนาโนเมตรค่ะหากปรากฏแถบสีม่วงของอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรบนเส้นควบคุมเพียงตำแหน่งเดียวจะแปลผลเป็นบวกแสดงว่ามีปริมาณโปรตีนไมโครแอนติบุมีนในปัสสาวะมากกว่าสามสิบไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรผู้ป่วยอาจเริ่มเข้า สู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะเริ่มต้นค่ะแต่หากปรากฏแถบสีม่วงของอนุภาคทองคำระดับนาโนเมตรนะคะทั้งบนเส้นทดสอบและเส้นควบคุมทั้งสองเส้นจะแปลผลเป็นลบซึ่งหมายความว่าไม่มีหรือมีปริมาณโปรโตีนไมโครอะบูมีนในปัสสาวะต่ำกว่าสามสิบไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรค่ะโดยแพทย์สามารถอ่านผลหลังจากหยดตัวอย่างลงบนแถบตรวจคัดกรองได้ในเวลาสิบห้านาทีค่ะ สำหรับนวัตการรมแท็บตรวจคัดกรองโรคไตเลือดลังในระยะเริ่มต้นนะคะมีความพร้อมของเทคโนโลยีระดับเจ็ดและอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นโจทกสิทธิบัตรระดับชาติรองศาสตราจารย์ดรในแพทย์นัทชัยนะคะกล่าวด้วยนะคะว่านวัตการรมแท็บตรวจคัดกรองโรคไตนี้จะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ขัดขันเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการหรือว่าพักสนามได้ช่วยให้แพทย์สามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยโรคไตได้อย่างทันท่วงทีนะคะ นคะอีกทางอยัางสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถตรวจคัดกรองได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะได้ปรับพฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไตายอย่างเช่นลดการทานเค็มค่ะนอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังหวัางว่าการมีนวัตกรรมแถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มต้นณจุดดูแลผู้ป่วยนั้นจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยควบคุมการเกิดโรคไตเรื้อรังได้ในอนาคตค่ะ คุณผู้ฟังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นรัชชัยศรีสวัสดิ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลือดทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตชั้นสองอาคารภูมิสลีมังคารนุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองสองห้าหกสี่ศูนย์ศูนย์ต่อแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ถึงเก้าค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะ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 パー、どんへんまポッキい。こ<音>に<楽>、よくんさん、来<音楽>、プロンリキット、んじん、ダイメ、来<音楽>、ギャプチャー。あしょ、 シャンシー。 ファンの音が聞こえたら、ファンの音が聞こえたら、ファンの音が聞こえたら、ファンの音が聞こたら、ファンの音が聞こえたら、ファンの音が聞こえたら、ファンの音が聞こえたの音が聞こ พยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลาก่อนและพูดให้สนใจเขาร่วมโครงการฝึกธักษาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกล้ารสือสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการฝึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศใน English Zone พร้อมให้บริการทุกวันนาคารเวลา12ดรการถึง13ดรการที่ชั้น3สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายเทคโนโลยีราชโมงคนทัญญาบอรีจัวดประทุมธา น, นีสมัครฟรีไม่มีค่าจะใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 Let's caught on Radio ช่วงความรู้ผู้สุขภาพ s t o p เข้าสู่ช่วงความรู้คู่สุขภาพนะคะกับเรื่องราวประโยชน์ของชาพลูการรับประทานและการใช้ชาพลูเพื่อสุขภาพค่ะผักสมุนไพรายพื้นบ้านหาได้ง่ายแถมมากมายด้วยประโยชน์นะคะชาพลูมีลักษณะเหมือนใบพลูค่ะมีกลิ่นหอมซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกันดีแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะคะและไม่รู้ว่าประโยชน์ของชาพลูนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับประโยชน์และก็สรรพคุณของชาพลูพร้อมไอเดียการรับประทาน าชพาพคชูค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หลายคนมักจะสับสนกับใบพูนะคะด้วยพอลักษณะของใบที่มีความคล้ายขึงกันค่ะซึ่งสรรพคุณของชาพูนั้นจะช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายในด้านต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยขับลมภายในช่องท้องหรือจะเรียกได้ว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยในการดูแลสุขภาพได้หลากหลายด้านก็ไม่ผิดแต่อย่างใดค่ะ ชาพลูเป็นพืชล้มลุกที่มีขนาดเล็กพบเจอได้ง่ายนะคะเพราะจะขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่เปียกชื้นลักษณะใบสีเขียวโสดมองเห็นเส้นแบ่งใบได้อย่างชัดเจนมีกลิ่นเฉพาะตัวคล้ายผลเบอร์รี่ค่ะคือมีรูปทรงกระบอกนะคะภายในก็จะมีเมล็ดขนาดเล็กในส่วนของดอกชาพลูก็จะมีความคล้ายคลึงกับดอกดีปลีแต่ก็จะมีขนาดที่สั้นกว่าค่ะ ใบสะพูนะคะมีปริมาณให้คุณค่าทางโภชนาการก็คือพลังงานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญแคลเซียมเบต้าแคโรทีนวิตามินซีฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองและในายอาร์ซินและเส้นใยค่ะ ชาพลูถือเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากพอสมควรเลยนะคะที่จะช่วยในการรักษาโรคหวาดัดในอเรื่องของการหายใจซึ่งทำให้หายใจโล่งมากยิ่งขึ้นซึ่งใช้น้ำมันที่มาจากใบชาพลูนั้นทาบริเวณอกก็จะช่วยบรรเทาอาการของโรคหอบหืดลงได้อีกทางในใบชาพลูยัางได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้รักษาอาการปวดค่ะไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะและก็อาการปวดที่มีสาเหตุมาจากโรคข้ออักเสบซึ่งวิธีการใช้นั้นง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่นำใบชาพลูไปคั้นเอาน้ำหลังจากนั้นก็นำมา ผสมกับน้ำมันเพื่อนวดเสร็จแล้วนำไปทาบริเวณต่างๆที่ปวดค่ะ สบู่มีสารสกัด ส, สำคัญภายในนะคะที่สามารถช่วยกระตุ้นร่างกายให้รู้สึกคลายเครื่องกับการออกกำลังกายได้ค่ะจึงช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นโดยการดื่มน้ำใบสบู่ที่ผสมกับน้ำพึ่งนะคะก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาด้านต่างๆให้ดีขึ้นค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเมื่อนำใบสบู่มาเคี้ยวสดๆนะคะจะได้รับวิตามินซีซึ่งสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันเชื้อแบคทีเรียและก็ไวรัสต่างๆได้ค่ะ ป้องกันอาการปวดท้องในกระเพราะอาหารค่ะช่วยรถความเป็นโกรธควบคุมความสมรุลในกระเพราะอาหารและช่วยกระจัดสารพิษ ท, ที่มีอยู่ในลำไส้เล็กค่ะ ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารนะคะโดยเคี้ยวใบชะพลูหลังจากทานอาหารหรือหากใครไม่ถนัดเคี้ยวใบชะพลูก็สามารถต้มน้ำใบชะพลูดื่มแทนได้ค่ะยังช่วยในการฆ่าเชื้อซึ่งผลชะพลูนั้นมีส่วนประกอบของสารกลุ่มเอมายซึ่งเป็นสารชนิดสำคัญที่ออกฤทธิ์เป็นอยาฆ่าเชื้อค่ะโดยเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคมาลาเรียและวัณโรคนะคะนอกจากนี้ยังบรรเทาการไอเรื้อรังโดยต้มใบชะพลูดื่มแก้อาการและสามารถช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในลำคอได้ด้วยค่ะ ช่วยรักษาอาการบิดเพียงนำรากของชับพูมาต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวนะคะจากนั้นค่ะกรองเอาแต่น้ำมาดื่มเพื่อช่วยรักษาอาการปวดบิดได้ค่ะรากของชับพูมีสะปรรพคุณช่วยบำรุงแล้วก็สร้างสมดุลให้แก่วร่างกายและอยัางช่วยบำรุงธาตุดได้ดีขึ้นนะคะช่วยต้านการอักเสบค่ะใบชับพูมีส่วนประกอบของสารกลุ่มโพลิฟินอลนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดอาการอักเสบได้ค่ะ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะซึ่งสารสกัดที่ได้จากลำต้นและใบายชาพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลินเอสเทเรสซึ่งสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดเพราะว่ามีสารฟลาโวโนนสูงโดยการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนเพื่อเพิ่มการดูดซึมกลูโคสซึ่งทำให้ช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ค่ะ การรับประทานชะพูเพื่อนสุขภาพที่นิยมนำใบชะพูมาเป็นส่วนประกอบก็คงหนีไม่พนเมื่องนะคะแต่จริงๆแล้วค่าชะพูยางสามารถนำมาประกอบเมน Louise อาหารอื่นๆได้อีกมากมายค่ะเช้นยำประธูใบชะพูด issy แก่งคว่ Quốc ุ้งใบชะพูด issy เมี่ยงปราร์เผาใบชะพูด radically า, าย Growingsруг million livingyim ah ไขยน้ำใบชะพูด issy และน้ำชะพูด Strawsp ในส่วนข้อควรระวังในการทานใบาชาพลูนะคะถึงแม้ว่าใบาชาพลูจะมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ควรทานติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะใบาชาพลูนั้นมีแคลเซียมออกซาเลตปริมาณสูงค่ะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคนิ้วในไตดังนั้นควรดื่มน้ำเปล่ามากๆเพื่อที่จะช่วยเจือจางออกซาเลตในร่างกายให้หลดลงค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับประโยชน์และก็สรรพคุณของชะพลูเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่หารับประทานได้ง่ายคะ่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานหรือว่าตามบ้านเรือนในชนบทนะคะแถมนำมาประกอบเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูอีกด้วยคะ่ะกลิ่นก็หอมเป็นเอกลักษณ์มีดีมากขนาดนี้นะคะก็อย่าลืมหาสมุนไพรชนิดนี้มารับประทานกันนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ